นิรุตติปะถะสูรว่าด้วยหลักภาษาเรื่องเกิดขึ้นที่ครุสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายหลักการสามประการนี้คือหหลักภาษา 2. งหลักการตั้งชื่อ 3. หลักการบัญญัติไม่ได้ถูกทออทิ้งไม่เคยถูกทออทิ้งย่อมไม่ถูกทอดทิ้ง จกไม่ถูกทอดทิ้งไม่ถูกสมณพราหมณ์ผู้เป็นวินยูชนคัดค้านแล้วหลักการสามประการเป็นอย่างไรคือหนึ่งรูปใดล่วงไปดับไปแปรผันไปแล้วเรียกรูปนั้นว่าได้มีแล้วตั้งชื่อรูปนั้นว่าได้มีแล้วบัญญัติรูปนั้นว่าได้มีแล้วแต่ไม่เรียกรูปนั้นว่ามีอยู่ไม่เรียกรูปนั้นว่าจากมี เวทนาใดล่วงไปดับไปแปรผันไปแล้วเรียกเวทนานั้นว่าได้มีแล้วตั้งชื่อเวทนานั้นว่าได้มีแล้วบัญญัติเวทนานั้นว่าได้มีแล้วแต่ไม่เรียกเวทนานั้นว่ามีอยู่ไม่เรียกเวทนานั้นว่าจากมีสัญญาใดละถึงสังคานเหล่าใดล่วงไปดับไปแปรผันไปแล้ว เรียกสังขาร น, นั้นว่าได้มีแล้วตั้งชื่อสังขาร น, นั้นว่าได้มีแล้วบัญญัติสังขารเหล่านั้นว่าได้มีแล้วแต่ไม่เรียกสังขารเหล่านั้นว่ามีอยู่ไม่เรียกสังขารเหล่านั้นว่าจากมีวิญญาณใดล่วงไปดับไปแปรผันไปแล้วเรียกวิญญาณนั้นว่าได้มีแล้วตั้งชื่อวิญญาณนั้นว่าได้มีแล้วบัญญัติวิญญาณนั้นว่า ได้มีแล้วแต่ไม่เรียกวิญญาณนั้นว่ามีอยู่ไม่เรียกวิญญาณนั้นว่าจากมี 2. รูปยังไม่เกิดยังไม่ปรากฏเรียกรูปนั้นว่าจากมีตั้งชื่อรูปนั้นว่าจากมีและบัญญัติรูปนั้นว่าจากมีแต่ไม่เรียกรูปนั้นว่ามีอยู่ไม่เรียกรูปนั้นว่าได้มีแล้ว เวทนาใดยังไม่เกิดยังไม่ปรากฏเรียกเวทนานั้นว่าจากมีตั้งชื่อเวทนานั้นว่าจากมีและบัญญัติเวทนานั้นว่าจากมีแต่ไม่เรียกเวทนานั้นว่ามีอยู่ไม่เรียกเวทนานั้นว่าได้มีแล้วสัญญาใดละถึงสังขารเหล่าใดยังไม่เกิดยังไม่ปรากฏเรียกสังขารเหล่านั้นว่าจากมี ตั้งชื่อสังขารเหล่านั้นว่าจากมีและบัญญัติสังขารเหล่านั้นว่าจากมีแต่ไม่เรียกสังขารเหล่านั้นว่ามีอยู่ไม่เรียกสังขารเหล่านั้นว่าได้มีแล้ววิญญาณใดยังไม่เกิดยังไม่ปรากฏเรียกวิญญาณนั้นว่าจากมีตั้งชื่อวิญญาณนั้นว่าจากมีและบัญญัติวิญญาณนั้นว่าจากมีแต่ไม่เรียกวิญญาณนั้นว่ามีอยู่ ไม่เรียกวิญญาณนั้นว่ามีแล้ว 3. รูปใดเกิดแล้วปรากฏแล้วเรียกรูปนั้นว่ามีอยู่ตั้งเชื่อรูปนั้นว่ามีอยู่และบัญญัติรูปนั้นว่ามีอยู่แต่ไม่เรียกรูปนั้นว่าได้มีแล้วไม่เรียกรูปนั้นว่าจากมีเวทนาใดเกิดแล้วปรากฏแล้วเรียกเวทนานั้นว่ามีอยู่ ตั้งชื่อเวทนานั้นว่ามีอยู่และบัญญัติเวทนานั้นว่ามีอยู่แต่ไม่เรียกเวทนานั้นว่าได้มีแล้วไม่เรียกเวทนานั้นว่าจากมีสัญญาใดละถึงสังขารเหล่ e าใดเกิด <ler> แล้วปรากฏแล้วเรียกสังขารเหล่านั้นว่ามีอยู่ตั้งช sure ื่อสังขารเหล่านั้นว่ามีอยู่และบัญญัติสังขารเหล่านั้นว่ามีอยู่ แต่ไม่เรียกสังขารเหล่านั้นว่าได้มีแล้วไม่เรียกสังขารเหล่านั้นว่าจากมีวิญญาณใดเกิดแล้วปรากฏแล้วเรียกวิญญาณนั้นว่ามีอยู่ตั้งชื่อวิญญาณนั้นว่ามีอยู่และบัญญัติวิญญาณนั้นว่ามีอยู่แต่ไม่เรียกวิญญาณนั้นว่าได้มีแล้วไม่เรียกวิญญาณนั้นว่าจากมีภิกษุทั้งหลาย หลักการสามประการคือหนึ่งหลักภาษาสองหลักการตั้งชื่อสามหลักการบัญญัติไม่ได้ถูกทอดทิ้งไม่เคยถูกทอดทิ้งย่อมไม่ถูกทอดทิ้งจากไม่ถูกทอดทิ้งไม่ถูกสมณพราหมณ์ผู้เป็นวินยูชนคัดค้านแล้วภิกษุทั้งหลายแม้ชนชาวอุกละชนบทกับชนชาววัสพัญญะชนบททั้งสองพวกนั้น เป็นผู้มีอเฮตุกะวาทะเป็นผู้มีอะคิริยวาทะเป็นผู้มีนาิกะวาทะก็ได้สำคัญว่าหลักการสามประการคือ 1. หลักภาษา 2. หลักการตั้งชื่อ 3. าหลักการบัญญัติไม่ควรติเตียนไม่ควรคัดค้านข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะกลัวถูกนินทาใส่โทษและถูกคัดค้าน นิรุตติปะสูตรที่10จบอุปยวักที่หนึ่งจบ mm hmm. mm hmm. รวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. อุปยสูตร 2. พีชสูตร 3. อุทานสูตร 4. อุปาทานปริปวัตนะสูตร 5. สัตตฐานสูตร 6. สัมมาสัมพุทธสูตร 7. อนัตตลัคนะสูตร 8. มหาลิสูตร 9. อาธิตสูตร 10. นิรุตติปถะสูตร อรหันตวักหมวดว่าด้วยพระอรหันต์หนึ่งอุปาทิยมาณสูตรว่าด้วยผู้ยึดมั่นขันข้าพเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่หนพระเชตวันอารามของอนาถบิณกะเศรษฐีเข ค, ครุงสาวถีครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ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 บุคคลเมื่อยึดมั่นก็ถูกมานผูกมัดไว้เมื่อไม่ยึดมั่นก็พ้นจากมานผู้มีบาปข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์เข้าใจแล้วข้าแต่พระสุคตข้าพระองค์เข้าใจแล้วภิกษุก็เธอเข้าใจเนื้อความแห่งคําที่เรากล่าวไวอ้อย่างย่อดโดยพิดารได้อย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลเมื่อยึดมั่นรูป ก, ก็ถูกมานผูกมัดไว้ เมื่อไม่ยึดมั่นก็พ้นจากมานผู้มีบาปเมื่อยึดมั่นเวทนาก็ถูกมานผูกมัดไว้เมื่อไม่ยึดมั่นก็พ้นจากมานผู้มีบาปเมื่อยึดมั่นสัญญาสังขารเมื่อยึดมั่นวิญญาณก็ถูกมานผูกมัดไว้เมื่อไม่ยึดมั่นก็พ้นจากมานผู้มีบาปข้าพระองค์เข้าใจเนื้อความแห่งพระพาสิตที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้อย่างย่อโดยพิสดารได้อย่างนี้ ดีละดีละภิกษุดีแท้ภิกษุเธอเข้าใจเนื้อความแห่งคําที่เรากล่าวไว้อย่างย่อโดยพิจารได้ดีแล้วบุคคลเมื่อยึดมั่นรูปก็ถูกมารผูกมัดไว้เมือม่อไม่ยึดมั่นก็พ้นจากมารผู้มีบาปเมื่อยึดมั่นเวทนาสัญญาสังขารเมื่อยึดมั่นวิญญาณก็ถูกมารผูกมัดไว้เมือม่อไม่ยึดมั่นก็พ้นจากมารผู้มีบาปภิกษุ เธอพึงทราบเนื้อความแห่งคำที่เรากล่าวไว้อย่างย่อโดยพิสดารอย่างนี้ครั้งนั้นภิกษุนั้นชื่นชมยินดีพระพาสิตของพระผู้มีพระภาคลุกจากอาสนะถวายอภิวาสกระทำประทักษิณแล้วจากไปต่อมาภิกษุนั้นก็หลีกออกไปอยู่คนเดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ไม่นานนะได้ทาให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยม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 อุปาทิยมาณสูตรที่หนึ่งจบ 2. มัญญามณสูตรว่าด้วยผู้กำหนดหมายขันเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี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 เมื่อกำหนดหมายเวทนาสัญญาสังขารเมื่อกำหนดหมายวิญญาณก็ถูกมารผูกมัดไว้เมื่อไม่กำหนดหมายก็พ้นจากมานผู้มีบาปข้าพระองค์เข้าใจเนื้อความแห่งพระพาสิทธิ์ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้อย่างย่อโดยพิสดารได้อย่างนี้ดีละดีละภิกษุดีแท้ภิกษุเธอเข้าใจเนื้อความแห่งคาที่เรากล่าวไว้อย่างย่อโดยพิสดารได้ดีแล้ว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 ภิกษุนั้นได้เป็นพระอาหารหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอาหารหันต์ทั้งหลายมัญญะมานสูตรที่สองจบ 3. อภินันทมานสูตรว่าด้วยผู้เพลิดเพลินขัน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 บุคคลเมื่อเพลิดเพลินก็ถูกมารผูกมัดไว้เมื่อไม่เพลิดเพลินก็พ้นจากมารผู้มีบาปข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์เข้าใจแล้วข้าแต่พระสุตคตข้าพระองค์เข้าใจแล้วภิกษุก็เธอเข้าใจเนื้อความแห่งคำที่เรากล่าวไวอ้อย่างย่อดโดยพิสดารได้อย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลเมื่อเพลิเพลิน ร, ร, รูปก็ถูกมารผูกมัดไว้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 เธอเข้าใจเนื้อความแห่งคํา hm. ที่เรากล่าวแล้วอย่างย่อโดยพิสดารได้ดีแล้วบุคคลเมื่อเพลิดเพลินรูปก็ถูกมารผูกมัดไว้เมื่อไม่เพลิดเพลินก็พ้นจากมารผู้มีบาปเมื่อเพลิดเพลินเวทนาสัญญาสังขารเมื่อเพลิดเพลินวิญญาณก็ถูกมารผูกมัดไว้เมื่อไม่เพลิดเพลินก็พ้นจากมารผู้มีบาปภิกษุ เธอพึองทราบเนื้อความแห่งคำที่เรากล่าวไว้อย่างยอดโดยพิสดารอย่างนี้และถึงอันหนึ่งภิกษุนั้นได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายอภินันทมานสูตรที่สจบ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 เธอพึงละความพอใจในรูปนั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเธอพึงละความพอใจในวิญญาณนั้นภิกษุเธอพึงทราบเนื้อความแห่งคำที่เรากล่าวไว้อย่างย่อดโดยพิสดารอย่างนี้ละถึงอันหนึ่งภิกษุนั้นได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายอั น, นิจะสูตรที่สจบ 5. ทุกขสูตรว่าด้วยสิ่งที่เป็นทุกข์เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งนั่งหน้าที่สมควรเดียกกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า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 ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้อย่างย่อโดยพิสดารได้อย่างนี้ดีละดีละพิกสุดีแท้พิกสุเธอเข้าใจเนื้อความแห่งคำที่เรากล่าวไว้อย่างย่อโดยพิสดารได้ดีแล้วรูปเป็นทุกเธอพึงละความพอใจในรูปนั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นทุกเธอพึงละความพอใจในวิญญาณ น, นั้นภิษุ เธอพึงทราบเนื้อความแห่งคำที่เรากล่าวไว้อย่างย่อโดยพิสดารอย่างนี้และถึงประหนึ่งภิกษุนั้นได้เป็นพระอระหันตองค์หนึ่งในบรรดาพระอระหันต์ทั้งหลายทุกขสูตรที่ห้า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 ได้เป็นพระอาหารหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอาหารหันต์ทั้งหลายอนัตตสูตรที่หจบเจ็ด อ, อนัตตนิยสูตรว่าด้วยสิ่งที่ไม่เนื่องด้วยอัตตา เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งนั่งณที่สมควรเดืกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยยอ่อและถึงมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่เถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุ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 อนัตตนิยสูตรที่7จ็จบรัชนิยสันธิตาสูตรว่าด้วยสิ่งที่จูงใจให้กำนัดเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้น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 ข้าพระองค์พึงละความพอใจในวิญญาณ น, นั้นข้าพระองค์เข้าใจเนื้อความแห่งพระพาสิทธิที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้อย่างย่อโดยพิสดารได้อย่างนี้ดีละดีละพิกสุดีแท้ภิกสุเธอเข้าใจเนื้อความแห่งคำที่เรากล่าวไว้อย่างย่อโดยพิสดารได้ดีแล้วรูปเป็นสิ่งจูงใจให้กำนัดเธอพึงละความพอใจในรูปนั้น เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นสิ่งจูงใจให้คำนัดเธอพึงละความพอใจในวิญญาณนั้นภิกษุเธอพึงทราบเนื้อความแห่งคำที่เรากล่าวไว้อย่างย่อโดยพิสดารอย่างนี้ละถึงอันหนึ่งภิกษุนั้นได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายรชาชนิยสันธิตสูตรที่8จบ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 ไกลหรือใกล้ก็ตามวิญญาณทั้งหมดนั้นอริยสาวกพิจารณาเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราราธะเมื่อบุคคลรู้เห็นอย่างนี้จึงจะไม่มีอาหังการมามังการและมานานุสัสในกายที่มีวิญญาณนี้และในนิมิตทั้งปวงในภายนอก และถึงอันหนึ่งท่านพระราธะได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายราธะสูตรที่เก้าจบสิบสุราธะสูตรว่าด้วยพระสุราธะ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 ท่านพระสุราทะได้เป็นพระอรหันตองค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายสุราทสูตรที่สิบจบอรหันตวักที่สองจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. อุปาทิยมาณาสูตร 2. มัญญะมาณาสูตร 3. อภินันทมาณาสูตร 4. อนิจจสูตร 5. ทุกขสูตร 6. อนัตตะสูตร 7. อนัตตนิยสูตร 8. ราชนียสันทิตะสูตร 9. ราธะสูตร 10. สุราธะสูตร 3. ขัดชนียวักหมวดว่าด้วยผู้ถูกเคี้ยวกินหนึ่งอ า, า, าสาทศูตรว่าด้วยคุณของขันเรื่องเกิดขึ้นที่ครงสาวถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สะดับไม่รู้ชัดคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากรูปตามความเป็นจริงเวทนาสัญญาสังขาร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 คุณโทษและเครื่องสลัดออกจากวิญญาณตามความเป็นจริงทุติยสมุทยสูตรที่สจบ 4. อารหันตสูตรว่าด้วยพระอารหันเรื่องเกิดขึ้นที่ครูงสาวถี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 แม้ในสังขารย่อมเบื่อน่ายแม้ในวิญญาณเมื่อเบื่อน่ายย่อมคลายคำนัดเพราะคลายคำนัดจิตย่อมหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพลลาา้นแล้วรู้ชัดว่าชาสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปภิกษุทั้งหลาย พระอรหันต์ทั้งหลายเป็นผู้เลิศประเสริฐที่สุดในโลกกว่าสัตว์ในสัตว์วาดและภวกระกพพระผู้มีพระภาคผู้สุคศาสดาได้ตรัสเวยากรณภาสินี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าพระอรหันต์ทั้งหลายมีความสุขหนอเพราะท่านไม่มีตัณหาตัดอาสมิมาณะได้เด็ดขาดทําลายข่ายคือโมหะได้แล้ว พระอาหารหันตเหล่านั้นถึงความไม่วันไหวมีจิตไม่ขุนมัวไม่แปดเปื้นในโลกเป็นผู้ประเสริฐไม่มีอาสวะเป็นสัตบุรุษเป็นผุทธบุตรผุทเโอรสกำหนดรู้ขันห้ามีสัทธรรมเจ็ดประการเป็นโคจรโคนสันเสริญท่านเป็นวีระบุรุษผู้ยิ่งใหญ่สมบูรณ์ด้วยรัตนะเจ็ดประการสำนกแล้วในไตรศิขา และความกลัวและความสะดุ้งกลัวได้เด็ดขาดแล้วย่อมเที่ยวไปโดยลำดับท่านมหาหนาคผู้สมบูรณ์ด้วยองค์สิบมีจิตตั้งมั่นประเสริฐที่สุดในโลกเพราะท่านเหล่านั้นไม่มีตันหามีอเศขายานเกิดขึ้นแล้วมีร่างกายนี้เป็นร่างสุดท้ายไม่ต้องอาศัยผู้อื่นในคุณที่เป็นแกนสารแห่งพรหมจรรย์ท่านเหล่านั้นไม่วันไวในส่วนทั้งหลาย ค้นจากพบใหม่ถึงทันตะภูมิชนะเด็ดขาดแล้วในโลกท่านเหล่านั้นไม่มีความเพล่เพลิง อ, อยู่ในส่วนเบื้องบนท้ำกลางและเบื้องล่างเป็นพุทธะผู้ยอดเยี่ยมในโลกย่อมบรรเลอสีหนาฏอารหันตสูตรที่สจบ